ทิฏฐินี้เขาแบ่งออกเป็นตัวตั ว, ตวเมื่อกี้นี้พูดถึงสังโยชน์ใช่ไหมคือประกอบไปด้วยสกายะทิฏฐิสกายะทิฏฐินี้ถือว่าเป็นเป็นเหตุของทิฏฐิ62เพราะฉะนั้นถ้าพูดสกายะทิฏฐิ20เท่ากับพูดทิฏฐิ62แล้วถ้าพูดทิฏฐิ62เมื่อไหร่ก็แสดงว่ากล่าวถึงสกายะทิฏฐิ ย0แล้วนี้ย้อนมาว่าถ้าถ้าเราพูดถึงทิฏฐินะแสดงว่าสมมติว่าปุตชนชาวนะทั่วๆไป20ดวงนะคือ20นี่หมายถึงโลอ่าโลภามูลจิต8โทสะมูลจิตสองโมหะมูลจิตสองมหากุศลจิต8เนี่ยนะในโลภามูลจิต8แยกเป็นทิฏฐิคต สัมปยุทธกับทิฏฐิขตวิปยุทธทิฏฐิขตสัมปยุทธมี4ี่ทิฏฐิขตวิปยุทธมีสเพราะฉะนั้นจิตที่เหลือเท่ากับเวนไว้พูดเฉพาะทิฏฐิคตสัมปยุทธสีดวงนะี้ทีนี้ทิฏฐิขตสัมปยุทธส4ดวงจะเกิดเพราะเหตุใดก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ใช่ไหมปตุตตชนผู้ไม่ได้สดับ ไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่มีวินัยของพระอริยะจะเห็นรูปเหล่านี้โดยความเป็นอัตตาข้อแรกนะอ่านะเรียกว่าว่าผมอันใดอัตตก็อันนั้นอัตตาอันใดผมก็อันนั้นนั่นเองเรียกว่าผมกับอัตตานี่คือสิ่งเดียวกันนนะนะ อันนี้ข้อที่1 น, นะข้อ2 อ, อัตตาเนี่ยมีผมหรือที่พูดตรงๆเลยก็ได้ว่าอัตตาเนี่ยมีรูปใช่ไหมข้อ3อัตตาเนี่ยไม่ใช่รูปเนี่ยในอัตตาข้อ4ก็อัตตาในรูปเนี่ยไง พวกนี้จะเป็นทิฐิไอ้อาตาเนี่ยภาษาไทยนิยมแปลว่าตัวตนก็อาจจะเนี่ยก็ภาษาไทยนี่ไม่สามารถรองรับศับ์ภาษาไทยนะไม่สามารถรองรับศั์ชั้นสูงนี้ได้เพราะคำว่าตัวนี่นโดยศั์ก็ศัพว่าตัวเช่นเช่นกัวสองตัวตุ๊กตาสองตัวศั์ว่าตัวก็คือเช่นบางอย่างใช้ เรียกสับกลุ่มไหนนะถ้าเป็นตัวเป็นแท่งเป็นเรียกทำเรียกอะไรนั่นอาจารย์เคยสอนลักษณะน้ำไหมเช่นถ้าแก้วน้ำเขาเรียกเป็นเอาใบนะแก้วเรียกเป็นใบไมโครโฟนเรียกเป็นเป็นตัวยักษ์เป็นตนช้างเป็นตุดเป็นเป็นเชือกอย่างเงี้ยนะช้างเป็นเชือกจริงก็ไม่ค่อยมีใครใช้เชือกนะผูกช้างอ่ะนะ น่าจะเรียกควายว่าเชือกมากกว่านะเพราะอะไรใช้เชือกมัดอ่ะนะช้างน่าจะบอกเป็นโซ่อย่างงี้นะแต่ก็ไม่อะนะก็เรียกช้างเป็นเชือกม้าเป็นตัวโคกระบือเป็นตัวไร่นาเป็นอาจจะเรียกเป็นไร่ก็ได้หรือถ้ามีหลายๆไร่ข้ามมีหลายๆที่ก็เรียกเป็นแปลงเลยนะหรือเรียกหลายที่พวกนี้ก็เป็นหมอเขาบอกว่าเป็นลักษณะนามใช่ไหมจริงหรือเปล่าไม่รู้นะว่าตามไปก่อนนะ นะทีนี้ไอ้ศัพท์ว่าตัวเนี่ยเป็นภาษาไทยเพื่อที่จะแยกว่าอย่างที่ว่าตุกตาสองตัวนะ ค, คือเป็นลักษณะที่แยกมั้นศัพท์ว่าตัวกับอัดตนในที่นี้แหะนะจึงคําว่าตนก็มาจากอัตตาความหมายของศัพท์เหล่านี้แคบเช่นยักษ์เรียกเป็นตนใช่ไหมตุกตาเรียกเป็นตัวเนี่ยนะ เอาตุกตากับยักษ์เนี่ยมารวมกันวนะ่าตัวตนแล้วมาที่บายทิฐิมันจึงไม่เข้ากันยนะว่าให้ตรงๆแต่เขาก็าไม่รู้จะเอาศัพบไหนมาแปลว่าเนี่ย เ, เห็นรูปโดยความเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นก็รักษาเอาไว้เลยว่ารักษาศัพท์เดิมไปเลยนะไม่ต้องใช้คําว่าตัวตนหรอกใช้คําว่าอัตตานี่แหละตรงๆไปเลยคือเขาบอกว่านิยามว่าอัตตาคือตัวศัพท์นั้นๆเลยอย่นะเรียกว่าเป็น เป็นเป็นสัตตะเป็นชีวะเป็นปุขละซึ่งภาษาไทยก็ไม่มีศั์รองรับไอ้คำว่าอัตตาอยู่แล้วใช่ไหมคือว่าอัตตากับกับผมเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันนะหรือหอถ้าใช้คำว่าผมนะรูปที่เหลือก็เท่ากับกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใช้คาว่าอัตตานะก็ตัวคนนั้นก็ได้นะตัวคนคนนั้นอะ สมติว่าอย่างที่ว่าหรือใช้คำว่าสัตว์ก็ได้นะสัตตะก็ได้ท่านเห็นผมโดยความเป็นสัตว์หรืออนไหรืออีกศัพท์หนึ่งเรียกว่าบุคคลท่านเห็นผมเนี่ยโดยความเป็นบุคคลหรื อ, อ น, นหรือท่านเห็นผมโดยความเป็นชีวะหรื อ, อ น, น แล้วเขาก็จะมีศัพท์หรือเห็นเห็นว่าผมเป็นอัตมันหรืออย่างเงี้นะเขก็เป็นจะเป็นศัพ์นิยามเห็นเป็นปานะหรืออันนี้ถ้าเป็นสายสายบาลีสันสกฤตเนี่ยเขาจะแต่ละคําที่ที่เนี่ยเขาจะมีความหมายของเขาหมดเลยของไทยเราก็บอกว่าเป็นตัวตนเห็นผมเป็นตัวตนหรือเอ้าก็ไม่เห็นเป็นผมนี่จะเห็นเป็นอะไรละครับนี่ใช่ไหมก็เลยเป็นที่มาของการเข้าใจผิดว่าถ้าเห็นเป็นผมเมื่อไหร่ก็เป็น เป็นทิถิไปก็คือเข้าใจผิดนะนะเห็นว่าเป็นผมก็เลยเป็นก็มองเห็นเป็นผมอ่ะเห็นเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังก็เป็นทิถิไปเห็นเป็นแก้วก็เป็นทิถิเห็นเป็นเสาก็เป็นทิฐิเอาแล้วกันนี้ชักวุ่นวายละนี่พอพอเข้าใจแบบนี้ไปอ่านพระไตรปิฎกเอ๊ะทำไมเราคิดไม่เหมือนพระไตรปิฎกแล้วกันนี้ พราะพื้นฐานเหล่านี้นะความเข้าใจเหล่าเนี้ทําให้ศึกษาธรรมะยากขึ้นไ อ, ไอความเข้าใจที่เรารับอะไรที่ไม่ค่อยตรงเนี่ยนะคือแต่ก่อนนี้ผมก็ไม่ได้มีความรู้แยกแยกอย่างนี้นะฮะแต่พอเขาพูดออกมาเนี่ยเราเราเราโต้แย้งเข้าในใจได้คือไม่ไม่เคยกล้าโต้แย้งทางวาจา mm hmm. กลัวเขาเนี่ยพราะบอกว่าเอา้าถ้าเห็นอะไรเนี่ยนะถ้าเห็นว่าเป็นบรรจัตเป็นแก้วน้ําอย่างนี้เนี่ย แล้วแล้วมันมันมันเป็นการเห็นผิดคือเป็นโลภะทิฏฐิขตะสัมปยุตคือเห็นผิดใช่ไหมถ้าเห็นผิดเนี่ยถ้าเห็นแก้วเนี่ยบอกว่าเห็นผิดเพราะเป็นเป็นตัวเป็นตนเนี่ยจะแสดงว่าจิตขนาดนั้นต้องเป็นอกุศลถูกไหมครับแต่ว่าปกติเราเห็นแก้วโดยจิตเป็นกุศลก็มีบ่อยไปถูกไหมฮะเห็นหนังสือได้เป็นกุศลก็ก็ได้ เห็นสิ่งที่เป็นเห็นคนเห็นสัตว์พวกนี้เห็นด้วยกุศลจิตก็ได้เมื่อเป็นกุศลจิตมันไม่ได้อยู่ในในสิบสองดวงนั้นเลยก็ไม่ใช่สี่ดวงอ่ะนะไม่ใช่ที่ถีสี่ดวงก็เป็นจิตที่เหลือตั้งสิบหกดวงไงจิตสิบหกดวงเนี่ยซึ่งสามารถเป็นจิตดวงใบดวงหนึ่งที่ไม่ใช่ที่ถีก็ได้และผมยังเตือนเขาอีกนะบอกว่าอ้ายิ่งกว่านั้นอีกนะอย่าไปเปรียบเทียบกับไอไอไอมหากุศลเลยไปเปรียบเทียบกับอกุศลเช่นโลก ทิ้โทสาี้ยเราเห็นด้วยโทสาขนาดนั้นเนี่ยไม่ได้เห็นมีทิฏฐิขตาสัมปยุทธ์เลยมีแต่ปฏิฆาสัมปยุทมีปฏิฆา<ะ>อย่างเดียวเั้นคนละเรื่องแล้วเถียงกันใหญ่เลยอืมแต่เ <ๆ S 2> ข, า บ, ขาบอกว่าเขาแก้ว่าไงรู้ไหมฮะเขาแก้ผมจําได้ผมเถียงกันที่สวนหินในร้านนานเนี่ยอืเขาแก้บอกว่ามันต้องสลับมันต้องสลับด้วยโลภทิฏฐิขตสัมปยุทธ คือแม้จะปฏิฆาก็ดีแม้แต่จะเกิดปัญญาหรือแม้แต่เกิดเป็นมหากุศลแล้วก็ดีเนี่ยมันจะต้องสลับทุกครั้งไปเมื่อเห็นแก้วนี่เป็นตัวตนว่ามันจะต้องเป็นทิฏฐิสัมมัจุตว่ากันมานานนะเรื่องก็ต้องสรุปว่าแกต้องเป็นทิฏฐิตลอดไปเพราะแกเห็นเป็นแก้วถ้าหากว่าอย่างนั้นีแสดงว่าผู้ที่มีทิฏฐิขตาสัมมยุตนี่ต้องเป็น เห็ น, นสตนนวก์ ค, คว่าให้ตรงอะนะว่าให้อัตราจริงๆอะมันไม่มีใช่ไหมว่าโดยสภาวะที่จริงแท้อัตราเนี่ยนะที่ที่อุปมาเมืองข้างแรกบอกว่าเขาฝันจริงไหมเมื่อคืนจริงแต่สิ่งที่เขาฝันเนี่ยมันจริงไหมโดยมากไม่จริงอันนี้ผู้ผคน ท, ทั่วไปนะเพระเช่นฝันเพราะธ า, าตุกเริบไม่จริงอยู่แล้วอย่างงี้นะ คำนวณว่าพอเด็กๆมันฝันแล้วเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังก็บอกมันกินมากอ่ย น, นะก็ลักษณะนั้นครับถ้าฝันด้วยธาตุกำเริบก็เขาบอกกินมากฝันมากนอนมากฝันมากลักษณะเนี้ยเขาฝันจริงไหมจริงแต่สิ่งที่เขาฝันเนี่ยมันจริงไหมไม่จริงเพราะเมื่อไม่จริงนี่เขาเรียกว่าลักษณะนี้เหมือนกันทิฐิก็เหมือนกันเขาไปสําคัญว่าเนี่ย ความเป็นสัตว์ความเป็นบุคคลเนี่ยคือวัตถุนั้นคือสิ่งนั้นสิ่งนั้นอันเดียวกันกับสัตว์บุคคลสัตว์บุคคลก็อันเดียวกันกับกับสิ่งนั้นแต่ถ้าอย่างแบบโบราณน่ะนะถ้าแบบผู้ที่วิชาแบบไม่ได้เรียนอะไรมาเลยนะก็คือเห็นว่าเอ๋อเนี่ยองค์ประกอบอย่างเงี้ยเรียกว่าคนนั้นจริงๆเลยแหละคือคือแยกอะไรต่อไปอีกไม่ได้เลยสักอย่างเพราะอย่าลืมว่าอัตตะสัญญาเนี่นะอะไรปิดบังไว้ ความเป็นก้อนปิดบังไว้อันนะคือความเป็นกลุ่มเป็นก้อนอันนะัคือแยกแยะสิ่งเหล่านั้นไม่ออกนั่นแหละมันมันปิดบังไว้แค่เรียกว่าคณะวินิโภคคณะคณะสัญญาเนี่ยมันเติบปอกปิดเอาไว้เนื่องจากแยกอะไรไม่ได้เลยพอแยกอะไรไม่เป็นก็เลยสําคัญว่าว่าเป็นอย่างนั้นไปเลยแต่ทีนี้ถ้าเทียบว่าชาวบ้านทั่วๆไปที่ไม่เรียกไม่ได้ศึกษาอะไรเลยถามว่าโดยมากเป็นที่ถิ่ตะสำปรยุทธไหม มันก็ต้องมาคิดดูว่าถ้าไม่ใช่เป็นไปกับจิตที่เหลือนีเอาจิตที่เหลือมาจับดูก่อนถ้าไม่ใช่เป็นไปกับจิตที่เหลือก็ใช่เลยแหละอ่านะเอาโลภาวิปยุตมาจับดูมีไหมเอาอุทะจะเอาวิจิกิจชามาเอามหากุศลมาวัดดูก่อนนะถ้าไม่มีก็แสดงว่าใช่<ว>อห น, นั ง, นงสือเนี่ยปกติแล้วคนจะไม่ แตถ้าหากว่เนี่ยจัวคนเนี่ยปกติแล้วโดยตัวตไปที่ไม่ไดทำก็ทำสิ่งที่สัตว์ก็ก็นี่แหละครับคือที่ไอ้ไอ้ลัทธิเหล่านี้นะที่ยึดถือโดยมากจะยึดถือในรูปที่มีที่เป็นกรรมมชื้อรคซะส่วนใหญ่ครับพวกกลุ่มอุตุเชื้อโรนี่ก็ก็ไม่ได้สําคัญผิดอะไรอยู่แล้วแต่โดยมากคือที่เป็นทิฏฐิคือเป็นกับรูปที่เป็นกรรมมชร้ปโซะส่วนใหญ่แต่ก็มีบางลัทธินะครับถือแม้กระทั่งน้ํานี่เป็นสัตว์ ก้อนหินก้อนกรวดนี้ถือโดยความเป็นสัตว์หมดเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะดื่มน้ําเขาต้องต้มก่อนเอถ้าคิดว่ต้มเขาไม่คิดว่านี้เขากําลังต้มปลานะนั่นเนี่ยนะต้มสับนั่นเนี่ยนะฆ่าสับนั้นทุกครั้งที่ต้มว่าลัทธิเขาต้องกินน้ําร้อนอย่างเดียวกินน้ําเย็นไม่ได้เพราะมันเป็นสัตว์ต้องกินแต่น้ําร้อนเนี่ยนะลัทธิแบบนั้นก็มีคือมองทุกอย่างเป็นสัตว์ไปหมดต้นไม้ใบหญ้าชีวะเหมือนกันนะเช่นว่าท่านตัดต้นไม้เนี่ยคุณฆ่าชีวะเห็นไหมมันร้องไห้น้ำ อะไรมันไหลเข้ามานะยางมันไหลเป็นต้นอ่ะนะพวกนั้นก็ถือแบบนั้นไอ้เลยทงแบบนั้นก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าอันนี้เราพูดแบบเอาเอาเน้นที่เรามาร่วยเรียนร่วมกันเราก็ไม่ได้ไปเขาจะเข้าใจผิดอะไรแบบนั้นแต่ถ้าแต่ก็มีบ้างบอกว่าแก้วนี้มันถีสิงอนะไรอย่างเงี้ยนะแก้วผีสิงอะนะมีผีอยู่ในนั้นจริงไหมถ้าอย่างนั้นก็อาจจะเรียกว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งไปนะแต่ว่าอันนี้ว่าตรงๆเนี่ยเรียกว่าเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาซึ่ง พวกนี้ถ้าถือว่ารูปเป็นอัตราอย่างนี้นะมันจะต้องเป็นอุดเฉดทิฏฐิอย่างเดียวถ้ารูปเหล่านี้สิ้นไปถือว่าจบกันพวกนี้นะถ้าถือรูปโดยความเป็นอัตราเนี่ยถือว่าเมื่อรูปเหล่านี้แตกสลายไปจบเลยหรือหรืออีกในหนึ่งอนะสีก็ว่าแบบรวมๆมันนะไม่เอาแต่ผมอย่างเดียวนะก็เอาแบบรวมๆพอรวมๆเข้ามาเนี่ยนะรูปเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งการบัญญัติ ที่เรียกว่าสัตธบัญญัติสัตธบัญญัติก็เช่นนายก็ไก่นายขอไข่นายขอขวดเป็นต้นเนี่ยนะก็ก็จะตั้งเป็นชื่อเป็นนายเป็นนางเป็นอะไรไปเนี่ยนะก็เพราะเป็นที่รวมแล้วมามาเป็นที่มาไว้บัญญัติเรียกขานกันใช่ไหมเพื่อตามสมมติสัจจะแต่ปุตุชนที่ไม่ได้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยไม่มีวินัยของพระอริย เข้าไปสำคัญอย่างนั้นจริงๆเลยอนะ่ะนสำนวนว่าเหมือนลักษณะปลาหุบ เ, เอาเอาเหยื่อนะฮุบไปทีเดียวเลยอ่ะนะรวบหมดเลยพวกนี้ลักษณะพวกนี้ถือรูปโดยความเป็นอัตตาอัตตาอันใดรูปก็อันนั้นรูปอันใดก็เป็นอันนั้นเหมือนเปลวไฟกับสีไฟนี่อันเดียวกันนะเปลวไฟกับสีไฟเนี่ยอันใดก็อันเดียวกันไปหมดคือจะไม่แยกอะไรเลย อันนี้อันนี้เาเรียกว่ากลุ่มที่ไม่แยกแยะแต่ก็มีบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่พวกนี้จะแยกขึ้นมาอีกอพวกเนี้ยมันอัตตามันอาศัยอยู่ในนั้นอไม่ใช่อัตตาเนี่ยมันมีพวกนั้นเป็นเป็นของพวกนั้นเออเป็นของอัตตาไปอ่นะมันไอ้รูปไม่ใช่อัตตารอกแต่มันเป็นของอัตตาไีคนบอกไม่ใช่อัรูปมันอยู่ข้างในอัตตานะ พวกถือว่ารูปนี่อยู่ในอาัตตาก็มีแต่มีอีกพวกหนึ่งก็บอกไม่ใช่อัตตามันอยู่ในรูปเนี <c oughs> ่ยนะอ่พวกที่เข้าไปไปคิดเรียกว่าพอเห็นสีแล้วก็น้อมที่จะคิดตามแนวนี้อะ น, นี่เป็นส ก, กายทิฐิเนี่ยนะถ้าใครมีแนวความคิดแบบนี้คือบอกว่านี่คือกลุ่มแนวส ก, กายทิธินะซึ่งถ้าผู้ที่ศึกษาธรรมะนะก็ไม่ได้ไปคิดอยู่แล้ว เพราะว่าละง่ายนิดเดียวคือพอฟังกพ็พอฟังก็แยกออกว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นเองนี่นะพอค้นดูแล้วมันก็ไม่ได้มีใครมีอะไรอยู่ในนั้นจริงๆรนะแม้แต่วิชาทางโลกโดยทั่วๆไปก็อย่างเช่นนะปฏิอัตามีรูปเป็นต้นนี้เขาก็ปฏิเสธใช่ไหมแต่ก็ยังถือรูปบางตัวเป็นอัตตาใช่ไหมก็มีบางกลุ่มเนี่ยก็ถือว่ารูปบางส่วนเป็นอัตตาเช่นให้ความสําคัญว่าสมองนี้เป็นอัตตาบางกลุ่มก็ถือว่าตัวหัวใจนี้เป็น ตาเนี่ยนะเพงั้นก็ก็ยังก็มีบางบางกลุ่มที่ถือแบบนั้น น, นะแต่จริงๆแล้วในทางธรรมะถือว่าทุกอย่างนี้เกิดจากการปรุงแต่งขึ้นนะเกิดจากการประชมแห่งปัจจัยเช่นถ้าท่าในร่างกายเลยนะีตาหรือสีในร่างกายหูหรือเสียงที่พูดออกมาจมูกหรือกลิ่นทั้งร่างกายเนี่ยนะเลนส์กับตัวรถ กายกับโพธะพะไม่ว่าจะเป็นปัทวียี่สบอาโป12บสอนะอาโปไม่เป็นโพธพารมนะแต่ว่าในในอโาโปธาบเนี่ยนะสิ 12, มีโพธพารมอยู่ด้วยเตโชสีวายโยอีก6อะ่ะพวกธาตุทั้งหลายเหล่านี้เกิดจากการประชุมกันเนี่ยธาตุทั้งหลายเหล่านี้เกิดจากการประชุมกันอายตนะทั้งหลายเหล่านี้เกิดจาก การประชมกันแห่งปัจจัยเช่นตาเนี่ยก็คือปัจจัยเนี่ยมาประกอบขึ้นเนี่ยนะก็ถ้าเทียบเปรียบเทียบเหมือนกับไฟรถยนต์ใช่ไหมอ่าก็ไฟรถยนต์อ่ะนะที่ที่เปิดสว่างนี่ก็เพราะการประกอบขึ้นของอะไรต่างๆตา ก, ก็เหมือนกันเป็นการประกอบกันขึ้นเนี่ยนะแม้กระทั่งสีเสียงกลิ่นรสอะไรก็ทั้งหลายแหละทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายก็ประกอบขึ้นแม้การเห็นเนี่ยนะการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นก็เกิดจากการ ประกอบกันขึ้นสิ่งเหล่านี้ที่ประกอบกันขึ้นสัมพันธ์กันโดยความเป็นเหตุและเป็นผลไอเหตุผลเนี่ยเรียกว่าปัจจัยกับปัจจยโบันเพราะฉะนั้นธรรมธรรมะถือว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยเนี่ยตาเนี่ยเรียกว่าจักขวาญาตนะใช่ไหมมาจากมหาพูทธรูปเป็นปัจจัยมหาพูทรูปมาจากกรรมวิญญาณเป็นปัจจัยกรรมวิญญาณมาจากสังขารเป็นปัจจัยสังขารมาจาก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 มันก็สัมพันธ์กันไปอย่างนี้ถ้าไม่มีจักรครูแล้วอะไรเกิดขึ้นอีกก็เพื่อจะให้มีภาษาเวทนานต่อไปนะท่านก็จะมองในความเป็นเหตุและเป็นผลเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีวันพวกนี้ทั้งหมดจึงเป็นกองทุกผู้ที่ฟังมาแล้วก็บอกเออเนี่ยทุกนะพอฟังวันนี้เป็นทั้งหมดนี้เป็นปริญญาธรรมเป็นธรรมที่ต้องเข้าไปรอบรู้เป็นธรรมะที่จะต้องไปละฉันทราคะผู้ที่ฟังนี้ก็แยกแยกแยะได้ออกก็อันนี้เรียกว่าละทิฏฐิด้วย ตะทางข้าประหารเพราะฉะนั้นที่ถี่นี้มันเป็นเป็นความเข้าใจผิดเฉยๆเนี่ยนะเป็นเป็นความเข้าใจผิดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้ารู้ความเป็นจริงแล้วก็อย่างเขาบอกว่าถ้าฟ้าผ่านี่คือเทวดากโกรธใช่ไหมก็อย่างอย่างบางบางลทัทธิเขาถืออย่างนั้นะนะเนีเช่นเนี่ยเทวดาตอนนี้กําลังโกรธเลยนะฟ้าผ่าเนี่ยเห็นไหมเปรี้ยงแป้งเนี่ยต้องขอร้องท่านอ้อนวอนท่าน น, นะนี่ยพอพ อ, พ อ, พอมีการศึกษาแยกแยะเอา ในในฟ้าผาไม่มีเทวดาเลรามอสูนนัน่นไงรามอสูนขว้างขวานอย่างเงี้ยนะซึ่งซึ่งไอ้จริงๆแล้วทางทางพระต่ปยวิเราไม่พบนะสูตรอันเนี้ยนะเพราะฉะนั้นนี้แปลงแต่งเล่นกันขึ้นมาเนี่ยทีนี้ไปสําคัญก็ว่าขว้างขวานขึ้นนะนะพอไปสํารวจเอ้ไม่มีใครไปขว้างขวานอยู่บนนั้นเลยอ่ะนะก็ ก, ก็พอมีการศึกษาแยกแยอะอ้าปรากฏการณ์อันนั้นมีจริงแต่ไม่จริงอย่างอย่างที่เขาคิดขึ้น ใ น, นอย่างตามตามความเข้าใจเนี่ยนะเพราะถ้ามีการแยกแยะ ก, ก็จะเป็นลักษณะนี้ธรรมะก็เหมือนกันเมื่อมีการแยกแยะว่าธรรมะส่วนนี้เป็นธรรมะที่เข้าควรเข้าไปรอบรู้นะแยกแยะสิ่งนั้นพร้อมทั้งองค์ประกอบและมาจากปัจจัยแล้วใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกาหนัดเพราะถือว่าผู้ที่เบื่อหน่ายและคลายกาหนัดในวัตถุเหล่านี้สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้ เนื่องจากแยกแยะในความเป็นเหตุเป็นผลดันั้นการวิจัยหรือการทำปริญญาร่อบรู้ในส่วนเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยน ะ, <c oughs> นะทิฏฐิตัวทิฏฐินะที่เรียกว่าสักกายะทิฏฐิเนี่ยถ้ากล่าวโดยอัตถการัตนสูตรอธิบายว่าผู้ที่เห็นโดยความเป็นทุกขษัตรินะละสักกายทิฏฐิ ผู้ที่เห็นสมุทัยสัตว์ละวิจิกิจชาผู้ที่เห็นนิโรธก็เห็นมรรคเนี่ยละศีลพัฒตะปราโมทนั่นนะมันการเห็นอริยสัตว์น่แหละจึงจะละโดยเด็ดขาดจริงๆแต่ถ้าในระหว่างการศึกษานี้ก็ละโดยสุตมยญาณถ้าไปไข้ครวนพิจารณาตามนั้นจริงๆก็ละด้วยอนุภาพของปัญญาถ้าเลิกไข้ครวนก็นก็ตามเดิม เพราะฉะนั้นก็กจึงมีว่าขณะไหนที่เกิดการคข้ครวนตามคำสอนนะตอนนั้นมีโยนิโสเกิดขึ้นทิฐิไม่เกิดตอนไหนที่เลิกคข้ครวนตามคำสอนก็เพียงตามเดิมนะสํานวนว่าวิ ป, ปลาสไปตามเดิมเพราะฉะนั้นผลของการถือด้วยอํานาจของทิฐิจึงตามมาด้วยวิ ป, ปลาสเนี่ยนะ อช่วงนี้ละได้ขณะที่ฟังนี่ก็ละแต่ละโดยตะทางข้าประหารแต่ถ้าจะละโดยสมุเชเ้าประหารคือสำคัญว่าเบื่อหน่ายหรือยังในสิ่งเหล่านี้คือถ้ า, ถาแค่รู้จักเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้ยังไม่พอที่จะเบื่อหน่ายอะไรเพราะฉะนั้นเ็าเรียกว่าถ้าว่าให้ตรงนะถ้าถ้าพูดถึงผมอย่างนี้ก็คือไม่ละห้อยหาไม่อะไรถึงผมที่เคย สำนวนว่าเคยงามในอดีตเนี่ยนะเคยดกเคยดีเคยงามในอดีตและก็ไม่จินตนาการว่าพบหน้าขอให้มีผมอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ต้องการนะนะไม่ได้ปรารบันนั้นแล้วปฏิบัติเพื่อเบื่อหนายและคลายกำหนัดในผมที่มีอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่ารู้เห็นยังไงจึงจะเบื่อหนายจากผม อันนั้นที่จะเบื่อหน่ายจากขนที่จะเบื่อหน่ายจากเล็บเบื่อหน่ายจากฟันเบื่อหน่ายจากหนังเนี่ยนะเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไส้ปอดเนี่ยรู้เห็นยังไงจึงจะเบื่อหน่ายอันนั้นแหะเรียกว่าวิปัสนาเนี่ยนะเหมือนการเจริญเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดทีนี้ถ้าแค่ฟังแค่เฉยในพื้นฐานเนี่ยถ้าไม่รอบรู้ก็ไม่พอที่จะเบื่อหน่ายแต่ก็มีสมัยพุทธกาลที่เขาฟังแค่นี้เขาก็เบื่อแล้วเนี่ยนะคือพื้นฐานเขาสะสมมาพอที่จะเบื่ออยู่แล้ว ค, คือฟังาการทําปริญญางี้แล้วนี่นะครับสมมุติว่าขณะนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของของอออออมีปัญญาม า, ม า, ม า, มาทําลายอาวิชชาไปส่วนหนึ่งแต่ว่าด้วยอุปนิเสยอุปนิเสธปัจจัยของตันหานี่ ม, นมันมันสูงเหลือเกินใช่ไหมครับก็เรื่องที่เราติดมันจ<ห>ึงไม่ไปเบื่อถ้าเป็นเป็นเป็นเราทั้งหลายเนี่ยนะมันไม่ได้ติดเรื่องนี้เรื่องเดียวไปติดอีกไม่รู้กี่สิบเรื่องใช่ไหม คำนวณว่าเออถ้าเฉพาะเรื่องนี้ก็มันน่าเบื่อแล้วนะแต่มันเรื่องอื่นยังอีกตั้ ง, งหลายเรื่องอ่ะนะที่สํำนัที่เรายังชอบอยู่เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ความเบื่อหน่ายจึงไม่ได้มีในในส่วนเดียวนะแต่ว่าต้องไปรอบรู้ในส่วนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นบอกว่าถ้าผู้ใดรู้รูปรขันจริงจริ ง, ก, รงก็ต้องรู้ทั้งเวทนาขนันสัญญาขนันต้องไปทําปริญญาในขันอื่ น, อ, นอื่นอีกเนี่ยนะแต่ว่าในส่วนที่จะเบื่อหน่ายอาจจะเบื่อหน่ายในจาก วัตถุใดวัตถุหนึ่งก็ได้แต่ในการการรอบรู้นั้นจะต้องรอบรู้มากเห็นไหมแสดว่าทั้งตัณหาและอาวิชชานี่มีความจําเป็นที่จะต้องไปไปไ ป, ไ ป, ไ, ปไปประหารมันไปก็ถ <c oughs> ้าอย่างเห็นเห็นด้วยโทษภัยเนี่ยนะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีโทษมีภัยเป็นต้นเพื่อที่อันนี้เพื่อละตัณหาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะก็ต้องประมวลที่จะเห็นอริยสัจเนี่ยนะเช่น นะยกตัวอย่างเกสาเกสาสมุทัยนะน้อมไปเพื่อที่จะรู้เกสานิโรธนะนะเพื่อให้จิตหลุดพ้นนะนะหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นสังคตธรรมพรานจะน้อมไปหาสิ่งที่เป็นอสังคตธรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่อาจจะฟังเรื่องนี้เบื่อนหน่ายแต่จิตไม่น้อมไปหาอสังคตะธรรมยังไงก็ไม่หลุดพ้นอยู่แล้วเนี่ยนะ อันนั้นก็เป็นธรรมะในระดับสูงขึ้นไปอีกที่ที่สำนวนว่าเตรียนอีกเยอะอนะอีกคือคือในในในคนยุคนี้เนะี่ยมันเหมือนกับว่ามันต้องอธิบายทุกเรื่องเลยสำนวนนะถ้าสมัยก่อนเนี่ยมันมีละไว้รู้กันรู้กันรู้กั น, กนไม่รู้กี่สิบเรื่องอ น, นะแต่นี่มันต้องพูดทุกเรื่องเลยนะทุกแก้มุมทุกขั้นตอนเนี่ยอาการไข้หนักเหมือนกับเด็กชาวเขาสมมตินะหรือเด็กชาวเขาชาวโดยที่ไหนก็ช่างเถอะ เอามานั่งเรียนคอมพิวเตอร์นะบอกแม้กระทั่งบอกเนี่ย น, ะนี่เขาเรียกว่าสายนะอย่างเงี้ยนะมาเล่าให้ฟังทุกขั้นตอนนะมันมีเรียกว่าต้องละเอียดขนาดนั้นอ่ะนะจึงจะเพียงพอนี้ของเราเนี่ยนะถ้าเทียบแบบอินเดียกับไทยนะโอ้ของเรานี่มันชาวโดยมากเลยนะถ้าเทียบกับสมัยโบราณนะพวกนั้นเผ่าไหนเผ่าหนึ่งนะสมัยนั้นอ่ะนะมีลักขา <laughs> กลุมมีลักขะทั้งหลาย ถ้าเทียบแบบสมัยพุทธกาลกันนะถ้าเทียบเรงความห่างนะแหมพระรูปไหนจะคิดมาเผยแผ่ถึงนี่นะท่านก็คิดมากเหมอนกันนะไปหรือเปล่าว่าเผ่านั้นจะรับรู้อ้มนั่นจะเข้าใจได้ยังไงเนะนี่ยต้องแปลที่บายนะแล้วภาษาก็ไม่ใช่ภาษาเราด้วยอะไรด้วยนะถ้าจะเป็นมิรักาจริงๆซะแล้วแต่ก่อนนี้นี่ก็ไม่ก็ยอมรับนะพัฒนามาเยอะแล้วครับ ทอามาไม่ได้สงสัยเลยมันเป็นอย่างนั้นยิงๆะนะต้องมาเรียนเอาทุกคําเลยนะเรื่องไหนเขานึกว่าเรารู้จริงนะช่ยเราไม่ได้รู้นะ <c oughs> นืกว่ารู้่นะที่ไหนได้เพราะั้น <c oughs> ของเราเวลาไปอ่านธรรมะเนี่ยก็คือเขาพูดกับคนที่สะสมอะไรมามากแล้วและเป็นภาษาเขาด้วยแล้วเขาเป็นนักไข้ครวนเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องธรรมดาของเขาด้วยพอมาพูดเรื่องนี้เขาเข้าใจทันทีเลยนะ นันเขาก็เกิดการตรัสรู้ธรรมของเราเหมือนกับว่าต้องมาเพาะมาปลูกมาสร้างอัธยาศัยกันค่อยๆเรียกว่าค่อยโน้มเหมือนกับถ้าเป็นไปการท่องเที่ยวก็บอกว่าที่นั่นดีนะยังไงนะเขาค่อยโน้มน้าวชี้ทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งโอ้เราไม่ถึงว่าสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะพญาธรรมปรีชาเนี่ยท่านแตกฉาจริงเหล่านี้ได้เนี่ยเนี่ยที่ท่านทำปริญญานี่นะะ พอ้เป็นสิ่งที่ตะกอนนี้เราเรามักจะไม่ค่อยให้ความเคารพเลื่อมใสในคนโบราณนะฮะแต่นักปาร์นนักจารีตมีจริงๆน ะ, ะเรื่องทําปริญญาอย่างเนี้ยปรากฏอยู่ในอะไรนะนวรรณกรรมอ่ะวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์คุณนภาอยู่ตอนท้ายๆมีท้ายๆเล่มเลยแถวตีระปริญญาเนี่ยเขาจะเอาสิ่งเราเนี้ยมาคข้ครวนทั้งหมดและไข้ค ร, ครวนละเอียดกว่านี้เยอะอันนี้ยกมาแค่เศษเสี้ยวหนึ่ง จากธรรมะในพระไตรปิฎกเนี่ยเราไม่สามารถพูดในระยะเวลาที่สั้นๆกันขนาดนี้ได้ทุกแงม่มุมเหมือนนะเพราะฉะนั้นฟังแต่ละครั้งเนี่ยให้ได้ว่าแผ่นจิ๊กซอได้แผ่นเดียวแล้วนะวันหลังเอมาฟังแล้วประกอบใหม่เนี่ยนะที่ก็อ้าฟังวันหลังอีกก็ประกอบเพิ่มอีกทีนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยประกอบแล้วมันปลิวหายไปหมดแล้วนะมานั่งทบทวนประกอบใหม่ขอมาทําใจนานละ ว, ว่าเออเนี่ยได้ฟังก็ได้บุญละนะคแค่นี้ก็พอละ พบในพระสูตรก็บอกว่าผู้ที่เงียโสดลงฟังก็ถือว่ามีอุปนิสัยแล้วก็เลยทำใจได้เท่านี้ก็พอใจแล้วนะส่วนที่เหลือไปคิดมากแล้วป่วยไ <c oughs> วันนี้ก็สมควรกับเวลานะ